สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิ่งเสียพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เป็นวันปามซันเดย์เราอยู่ในชุดพระเยซู ต, ตอนที่สองร้อยหกสิบสี่เรื่องคําอธิษฐานของพระเยซูรครั้งที่สามสิบเก้าโปรดประทานอาหารประจําวันพี่น้องครับเมื่อเราอาธิษฐานตามแบบอย่างของพระเยซูว่าขอทรงโปรดประทานอาหารประจําวันแก่ทั้งองค์งหลายในกายันนี้นั้น เรากำลังทูลขอนะครับสามประการเป็นอย่างน้อยครับประการแรกก็คือเป็นการทูลขอทรับสิ่งของซึ่งได้แก่อาหารและครอบคลุมไปมากกว่านั้นอีกคือที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งหม่มและอะไรอะไรอีกมากมายที่จำเป็นสำหรับชีวิตของพวกเราพระเจ้าจะทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ให้กับพวกเรา พี่รองครับหลายหท่านที่เจ็บไข้ได้ป่วยเรามีสิทธิ์นะครับในการที่จะทูลขอมีสิทธิ์ในการที่อธิษฐานวิงวอนกับพระเจ้าว่าขอพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงรักษาพระเจ้าผู้ทรงประทานอาหารประจําวันสิ่งพอเพียงโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ตามน้ำพระทัยของพระองค์นี่เป็นประการแรกครับเมื่อเราอธิษฐานประโยคนี้ประการที่สองครับก็คือเรากําลังคิดถึง แหล่งที่มาหรือต้นกาเนิดของอาหารเหล่านี้ซึ่งหมายถึงพระเจ้าครับเหมือนกับประโยคกริยาที่ว่าขอทรงโปรดประทานแสดงว่าต้องมีผู้ประทานครับและผู้ประทานพระองค์นั้นคือพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดแต่พระองค์เดียวพระเจ้าทรงเป็นผู้เดียวที่ปรารถนาจะตอบสนองความต้องการฝ่ายร่างกายของเราครับและแน่นอนครับจากพระธรรมยากรบที่หนึ่งข้อสิบเจ็ดความว่า ของประธานอันดีทุกอย่างและของประทานอันเลิศทุกอย่างย่อมมาจากเบื้องบนพี่น้องเห็นไหมครับย่อมมาจากเบื้องบนและส่งลงมาจากพระบิดาแห่งบรรดาดวงสว่างพี่น้องคงจําได้นะครับว่าเมื่อเราอิฐฐานเริ่มต้นคือข้าแต่พระบิดาแสดงว่าพระบิดาผู้ทรงรักเราครับทรงทรงเป็นแหล่งและต้นกําเนิดแห่งพระพรทั้งหลายบนสวงสวรรค์ ของดีอันเลิศทุกอย่างครับพี่น้องครับของดีอันเลิศทุกอย่างแม้แต่เสียงต่างที่วันนี้อาจจะยังไม่ดีแต่จะกลับกลายเป็นของดีอันเลิศทุกอย่างซึ่งมาจากเบื้องบนที่ส่งมาถึงลูกที่รักของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นลูกชายที่รักลูกสาวที่รักของพระองค์พี่น้องครับส่งตรงลงมาจากพระบิดาแห่งบรรดาดวงสว่างทั้งหลาย แห่งบรรดาดวงสว่างซึ่งไม่มีการแปลป่วนครับคือไม่มีเงาคือพูดง่ายๆว่าเห็นชัดเจนครับพี่น้องครับเมื่อเราตั้งเครื่องคลื่นของเรานะครับหมายถึงเครื่องรับวิทยุของเราเนี่ยจูนเครื่องให้ตรงกับความถี่ของพระเจ้าแล้วเราก็จะได้รับพระพรตรงลงมาทันทีและคลื่นความถี่ที่ จูนตรงกับพระเจ้านั้นคลื่นนั้นเราเรียกว่าคลื่นแห่งการเชื่อฟังนะครับเมื่อเราอาธิษฐานประการที่สามครับก็คือเรากําลังทูลขออะไรนะครับเราต้องเข้าใจว่าเรากําลังทูลขออะไรทํากริยาที่เกี่ยวข้องกับการให้ซึ่งเป็นหัวใจของการทูลขอนั่นหมายความว่าเรามีสิทธิ์นะครับที่จะทูลขอจากพระเจ้าเรามีเหตุผลเพียงพอที่จะทูล เรื่องราวความปรารถนาของเราทุกอย่างต่อพระเจ้าโดยเฉพาะอย่าง ย, ยิ่งอาหารประจำวันครับแต่มีเงื่อนไขเดียวเท่านั้นครับที่จะทำให้การทูนของเรานั้นเกิดผลก็คือว่าพระเจ้าได้ทรงสัญญาไวแล้วหรือไม่หากว่าเราทูนขอสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไวแล้วแน่นอนครับเราอยู่ในเงื่อนไขของพระเจ้าแน่นอนครับเราก็จะมีความเชื่อมั่นได้อย่างแน่นอน ว่าเราจะได้รับตามที่เราได้ทูลขอตามการทรงสัญญาที่มาจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้อาหารประจําวันขอประทานอาหารประจําวันกับท่าวของหลายในการลวันนี้นั่นหมายความว่าพระเจ้าปรารถนาให้เราทูลขออาหารครับแสดงว่าเมื่อพระเจ้าปรารถนาคงมีน้ํามะทัยที่จะให้หับเราอย่างแน่นอนครับ เพราะพระองค์ทรงสัญญาไวเช่นนั้นเรามาดูครับว่าพระเจ้าสัญญาไวอย่างไรครับและเงื่อนไขของพระเจ้าเป็นอย่างไรสรุปดีบทที่สามสิบเจ็ดครับสรุปดีบทนี้ทำให้เราได้ข้อคิดช่วยให้เราเกิดความเข้าใจว่าพระเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งที่จะตอบสนองต่อความต้องการฝ่ายร่างกายของเราอย่างแน่นอนครับแต่มีเงื่อนไขาบางอย่างครับโปรดฟังวจนะของพระเจ้านะครับสรุปดีบทที่สามสิบเจ็ ข้อที่สามจงวางใจในพระเจ้าและกระทําความดีเห็นไหมครับพี่น้องครับจงวางใจในพระเจ้าและกระทําความดีพระเจ้าไม่ได้ถูกบังคับที่จะต อ, ตอบสนองต่อความต้องการฝ่ายร่างกายของมนุษย์ทุกคนนะครับแต่พระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยถ้อยคาประโยคที่เรียบง่ายนี้เต็มไปด้วยความหมายลึกซึ้งครับเพราะว่ารวมถึงความสําคัญแห่งความรอดไว้ด้วยความรอดนั้นเกิดจากความไว้วางใจในพระเจ้าครับ และมีผลต่อการทำดีของเราพี่น้องครับอย่าลืมนะครับคนที่รอดแล้วนะครับเขาจะทำดีแต่เราไม่ได้ทำดีเพื่อที่เราจะรอดพี่น้องชัดเจนเรื่องนี้นะครับฟังใหม่ครั้งนะครับคนที่รอดแล้วนะครับเราก็จะทำการดีแต่เราไม่ทำดีเพื่อจะไปถึงความรอดเพราะอะไรครับเพราะความรอดนั้นเนื่องด้วยการกระทำก็หาไม่ได้ครับ ความรอดเนื่องด้วยการกระทำก็หาไม่ได้นะครับยากรบครับกล่าวว่ามีความเชื่อแต่ไม่ประพฤติตามก็ไร้ผลถ้าเราบอกว่าเราเป็นผู้เชื่อนะครับเราก็จะได้รับพระสัญญาพระสัญญาก็คือการอาศัยในแผ่นดินและชื่นบานเพราะได้รับการเลี้ยงดูจากพระบิดาจากพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดจงวางใจในพระเจ้าและกระทำความดีท่านจึงอาศัยในแผ่นดินและชื่นบาน เพอได้รับการเลี้ยงดูนี่คือพระสัญญาในพระกัมภีร์ครับคําสัญญาต่างๆในพระกัมพีนั้นมักเกี่ยวข้องกับความจริงในเรื่องจิตวิญญาณครับแต่อยากิดกันเรื่องฝ่ายร่างกายออกไปเราอาจจะมีจิตวิญญาณที่ไม่ค่อยดีต่อพระเจ้าถ้าพระงค์ไม่ตอบสนองความต้องการฝ่ายร่างกายของเราก็เป็นได้เห็นไหมครับบางครั้งเมื่อเราไม่ได้รับการตอบสนองฝ่ายร่างกาย หลายคนนะครับก็งอนพระเจ้านะครับหลายคนก็ต่อว่าพระเจ้านะครับหลายคนก็บ่นนะครับหลายคนก็ออกห่างจากพระเจ้าแต่พี่น้องครับเราอาจจะมีจิตวิญญาณที่ไม่ค่อยดีต่อพระเจ้าถ้าพระองค์ไม่ตอบสนองความต้องการฝ่ายร่างกายของเรา <i> ในทางกลับกันครับพระองค์ปรารถนาที่จะตอบสนองความต้องการฝ่ายร่างกายของเราครับเ <i> พื่อที่เราจะมีจิตวิญญาณที่ดีต่อพระองค์คนชอบ <i> ทํานั้นจะได้รับตามพระสัญญาครับ คนนั้นทำจะถูกพิพากษาในจุตดีบทเดียวกันนะครับสาสิบเจดข้อสิบแปสิบเก้าบอกว่าพระเจ้าทรงทราบวันเวลาของคนไร้ตําหนิพระเจ้าทรงทราบวันเวลาของคนไร้ตําหนิและมรดก ข, ของเขาจะดํารงอยู่เป็นนิดเขาจะไม่ได้อายในยามชั่วร้ายในวันกันดารเขาจะมีอุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องฟังใหม่นะครับอีกครั้งนะครับสดีบทที่สามสิบเจ็ดข้อสิบแปดสิบเก้า พระเจ้าทรงทราบวันเวลาของคนร้ายตํำหนิและมรดกของเขาจะดำรงอยู่เป็นนิดเขาจะไม่ได้อายในยามชั่วร้ายและวันในวันกันดาลเขาจะมีอุดมสมบูรณ์พี่น้องครับแม้ว่าคนอธรรมนะครับจะพินาศไปและคนชอบธรรมได้รับการเลี้ยงดูในซุดิิบทเดียวกันครับข้อ25และถึงข้อที่17ดาวิดกล่าวว่า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 พี่น้องครับขอให้พระวนะพระเจ้าในวันนี้นะครับสําเร็จในชีวิตของพี่น้องที่รักทุกๆ ท, ท่านอย่างแท้จริงขอพระองค์ทรงโปรดไว้พระพนะครับให้เราเป็นผู้ที่ชอบธรรมเราอยู่ภายใต้เงื่อนไขแห่งพระพรและพะันธะญาแน่นอนครับ mm hmm. เมื่อเราอธิษฐานตามแบบอย่างพระเยซู บ, บอกว่าขอพระองค์ทรงโปรดประทานอาหารประจําวันแก่ข้าพลายในการวันนี้นั่นหมายความว่าเรากําลังคิดถึงนะครับคิดถึง วันนี้เราได้เรียนรู้นะครับก็คือประการที่สามก็คือเราทูลขอจากพระเจ้าและพระเจ้าจะโปรดประทานให้ตามสัญญาภายใต้เงื่อนไขครับเงื่อนไขของเราคืออะไรครับเงื่อนไขของเราก็คือหนึ่งเราเป็นลูกครับสองเราได้รับความรอดแล้วเราจะต้องเชื่อฟังครับประการที่สามก็คือเราจะต้องดํารงตนอยู่ในความชอบธรรมเพราะว่า ข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นคนชอบทําถูกทอดทิ้งหรือลูกหลานของเขาขอทานเขาแจกใจอย่างกว้างขวางและให้ยืมเสมอแตล่ลูกหลานของเขาเป็นคำพรขอพระเจ้าวอวยพรครับแฮปปี้ปามซันเดย์ครั บ, รบขอพง์ทรงโปรดนำพาพี่น้องทุกท่าน